ทำไมจะไม่สาบสูญไปด้วยเราความจริงพุทธะคับสังฆะก็คือใจดวงบริสุทธิ์ที่พ้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสูนอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะให้ตายให้สาบสูนให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปกับสมุติไม่ได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความตายไม่ได้อยู่ใต้อำนาจแห่งความสาบสูญไม่ได้อยู่ใต้อำนาจแห่งการหมดความหมายใดๆพุทธะจึงคือพุทธะอยู่โดยดี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 ปัญหาบางอย่างเพียงแต่ลำพึงสองสายตามลําพังโดยไม่ได้นึกถึงท่านเลยเพราะตกกลางคืนเข้าที่พอนาท่านเข้มาอธิบายให้ฟังเสียแล้วโดยยกข้อที่เราสงสัยขึ้นอธิบายให้เราฟังเรากลับได้เรียนท่านไปแล้วท่านว่าแปลกและอัศจรรย์มากแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้เดี๋ยวขอหาว่าเป็นกรรมฐานบ้าแต่ทําเครื่องแก่กินในชนิดต่างๆโดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธิาพ orna โดยลําพัง และเกิดทางนิมิตมีท่านอาจารย์มาเป็นต้นมาเตือนให้อุบายและแสดงคําสั่งสอนโดยสม่ำเสมออันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้คิดอันไตรตรองมีให้ประมาทท่านว่าทัานศาที่จําอยู่ในถ้ำแห่งดวงหน้าปากเปลี่ยวนี้ทำให้เคิอุบายต่างๆที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนผิดที่ทั้งหลายอยู่มากเป็นผู้มีราตรีเดียวด้วยความรื่นเริงอยู่กับธรรมในอิริยาบถต่างๆ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 ไม่ว่าวุ่นคนมัวม่สูงกับสิ่งใดแล้วก็มีความสุขตัวในโลกแห่งขันเรานี่เองไม่จําต้องดิ้นรนหาความสุขในที่อื่นพบอื่นซึ่งเป็นการวาดภาพต่อตัวเองให้เกิดความทะเยอทะยานเสริมตันหาสมุทยัยอันเป็นเชื้อแห่งทุกข์มาเผาล่นตัวเองให้เกิดความทุกข์ลำบากไปเปล่าๆเพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่กับใจนั้นเป็นความสุขที่พอกับตัวแล้วโลกนี้ทั้งโลกและโลกอื่นๆไม่มีประมาณในสงสารราวกับไม่มีอยู่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 และมีทำเลดีเหมาะกับการรมเพนอยู่หลายแห่งมีหมู่บ้านที่ไปตั้งมาอยู่ไม่ ก, กี่หลังคาเรือนเขาอารัธนาท่านให้อยู่จำพรรษาเพื่อโปรดเขาซึ่งเป็นสถานที่ศพกับอัจยาศัยท่านจึงตกลงจำพรษาที่นั่นตอนท่านพักบําเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอําเภอโพธิ์พิสัยนั้นท่านว่าท่านเพลดิดเพลินรื่นเริงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆด้วยความเมตตาเขามากมีไก่ป่าไก่ฟ้า นกนานาชนิดมีนกเหงือกนกยูงเป็นต้นและแม่นอีเห็นอีเก้งหมูกวางลิงข่างบางชนิหมาป่าเสือโครง่งเสือดาวช้างกระทิงหัวแดงซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดปรับที่ทั้งหลายเที่ยวมาเป็นฝุงฝูงของโขลงทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องลั่นสนันป่าตามวารรของเขาอยู่เสมอบางวันเวลาออกไปมิถบ ก็ยังพบเสืยงคร่งใหญ่เดินฉากหน้าทันไปอย่างสวยงามน่าดูโดยไม่ห่างไกลท่านเลยด้วยความองอาจราศีนา่าเผยตามนิสัยของมันท่านว่าขณะที่มันเดินฉากหน้าท่านไปซึ่งเป็นที่โล่งพอสมควรดูการก้าวเดินของมันรู้สึกสวยงามมากขณะที่พบกันทีแรกมันชําเลองดูท่านนิดเดียวก็เดินต่อไปโดยไม่มองกลับมาดูท่านอีกเลยดูลักษณะท่าทางมันก็ไม่กลัวท่านนะัก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 นึกว่าจะพากันนีไปที่อื่นหายเงียบไปแล้วเพราะเสียงสงบเงียบไปพักหนึ่งแต่ที่ไหนได้จากการหายเงียบไปได้พักหนึ่งเท่านั้นประมาณสามทุ่มก็ชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนปนส า, าลาเล็กๆที่พระคมังนั่งสมาธิฟังการอบรมทมอยู่ซึ่งสงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่านั้นและสงเสียงกระหุมคารามและก า, การอยู่ใต้ถุนสาลาเล็กๆนั้นจนท่านต้องตะกกนบอกว่า เฮ้ยสามสหาไอย่าพากันส่งเสียงอื้ออึงนักสิพระท่านกําลังเทศละฟังทำกันเดี๋ยวเป็นบาปตกนรกหลุมจีบหายกันหมดน่าจะว่าไม่บอกเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่เอตโรโพเฮกา น, นีนาจงพากันไปที่ร้องครางที่อื่นที่นี่เป็นวัดของพระที่ท่านชอบความสงบไม่เหมือนพวกแกไปเสียพากันไปร้องที่อื่นตามสบายไม่มีใครไปยุ่งกับพวกแกหรอกที่นี่เป็นที่พระท่านอยู่บําเพ็ญธรรม ท่านจึงไม่ห้ามไม่ให้พวกแกส่งเสียงอื้ออึนะพอได้ยินเสียงพระท่านร้องบอกก็พากันสอองบอารมณ์ไปพักหนึ่งแต่ยังพอได้ยินเสียงเกี่ยวพาราศีกันซุบซิบหูหอีเบาๆอยู่ใต้ถุนศาลาอันเป็นลักษณะบอกกันว่าพวกเราอย่าส่งเสียงดังกันนักสิพระท่านรำคาญและร้องบอกมานั่นไงละ่ะทำเสียงเบาๆหน่อยเถอเพื่อนเดี๋ยวเป็นบา ท, ที่กาาขึ้นหัวเบาไปพักหนึ่งต่อไปก็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 แจ็กสิงเข้าไปสู่จิตใจได้จะกลายเป็นคนที่ขลาดไม่เป็นท่าไปอีกหลายคนท่านเล่าว่าเกินวันนั้นพระที่นั่งฟังการอบรมและทําสมาธิภาวนาต่อไปหลังจากการอบรมแล้วตามีความตื่นเต้นตกใจและตาตั้งหูกลางไปตามๆกันที่ได้ยินอาจารย์ใหญ่ทั้งสามตมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู่ที่ไดทุนในลักษณะแข็งริดเจอกับความสนุกของเขาทำเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆกัน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 โคกช้างเป็นของโขลงหมูป่าเป็นฝูงฝูงซึ่งแต่ละโขลงและฝูงมีจนวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนะักปีท่านจำพรรษาที่นั่นอุบายต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอและต้องคอยเตือนพระเสมอว่าให้ประมาทในการรักษาทุดดวงวัดเพราะอยู่ในถ้มกลางสิ่งที่ควรระวังหลายอย่างต่างกันโดยอาศัยทุดดวงวัเป็นเส้นชีวิตจิตใจมีธรรมวินัยเป็นที่ฝากเป็นฝากายจใจจริงอยู่เป็นสุข ไม่วาเสียวสะดุ้งกลัวต่างๆการขบฉันก็น้อยเพียงเยียวยาธาตุขันไปวันๆเท่านั้นเพราะศรัทธาญาติโยมีน้อยและเป็นบ้านเพิ่งสร้างใหม่มีไม่กี่หลังคาเรือนยังไม่เป็นหลักฐานมั่นคงและเป็นความมุ่งหมายของท่านผู้หนักแน่นในธรรมจะพึงฝึกฝนอดทนเพื่อทำความอยู่สบายทางภายในจึงไม่กังวลกับที่อยู่อาศัยอาหารปินทบาตให้มากไปอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพียร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 ไม่สร้างความอับจนไว้ทับถมตัวเองปฏิปทาก็สม่ำเสมอไม่ท้อถอยน้อยใจว่าตนขาที่พึ่งทั้งภายนอกภายในมีใจกับทําเป็นเครื่องฉโลมหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นเย็นใจอยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุขโตแบบลูกศิตยถาคตไม่แสดงความอดอยากขาดแคลนในทางใจเพราะทุรงกบัติที่มุ่งต่อทำทันไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ยอมอดยอมทน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 สัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชอบและยอมรับโดยธรรมชาติสัตว์ย่มสแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระธุดงเพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้นจึงเสาะแสวงหาไปตามประสาแม้แต่ผู้ไม่เคยสนใจกับธรรมเลยยังรู้จักสถานที่ที่ไม่มีภัย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 ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวหาที่วิเวกแลกเปลี่ยนที่ทำความเพียนอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วแล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทําความเพีินอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วแต่เวลาเช้าไปทําความเพียนอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายๆหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทําอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทําความเพียนอยู่อีกแห่งหนึ่งในแถนที่ทันพักอยู่นั่นแหละเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้านไกลบ้าน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 เขตอำเภอเซกาอเภอโพมพิสัยจังหัดหนองคายและอเภบ้านแพงจงนครพนมแถบนั้นมีเขามากเช่นภูสิงห์ภูและภูลังกาซึ่งล้วนเป็นทำเลดีๆเหมาะแก่การบาเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากปินทบาทไม่ถึงต้องมีคนขาดเปลี่ยนกันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชมุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิดมีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้น พอตกไบบ่ายและเย็นจะได้ยิยนเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนานวันไหวไปทั่วทั้งป่าผู้ไม่สระตาจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษและไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดิจะตรงทำความเพียรไปมาอยู่มันยังแอบมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทำอะไรมันอาจสงสัยและแอบด้อมเข้ามาดูก็ได้พอท่านได้ยินเสียงผีสังเกตเนประหลาดใจส่ฉายไปดู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 ลอยขันเมื่อไรก็เป็นประมังสุขหังล้วนๆเมื่อ น, นั้นหมดความรับผิดชอบกังวลโดยสิ้นเชิงกางเขียนประวัติย่อของท่านอาจารย์องค์สำคัญองค์หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นข้อขอยุติลงกรุณาสังเกตตามที่เขียนมานี้ว่าคือองค์ใดแน่ปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพเลื่อสายของประชาชนพระเนรจานวนมากแต่ผู้เขียนไม่อาจระบุนามท่านเกรงจะเป็นการกระทบกระเทือนในองค์ท่าน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 จึงกล้านำมาสั่งสอนหมู่คณะด้วยความแน่ใจเมื่อเห็นความฝา่าฝืนจึงทำให้อดโซดสังเวชใจไม่ได้ว่าต่อไปจะเห็นแต่ของปลอมเต็มวัดเต็มวาเต็ ม, ต ม, ตมาศาสนาและเต็มพระเนนเทนชีพุทธบริษัทเพราะความชอบใจความสะดกุกใจพาให้เป็นไปไม่ใช่ความไตรตรองดูเหตุดูผลด้วยดีพาให้เป็นไปาศาสนานั้นจริงไม่มีที่ต้องติแต่าศาสนาจะถูกต้องติ พระผู้ปฏิบัติดึงศาสนามาเป็นเครื่องมือของกิเลสที่มีเต็มหัวใจผมหนกักโกรธตรงนี้เองเพื่อเห็นอยู่กับตาดังที่ว่าอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งผู้เขียนได้เห็นท่านเรียกพระมาดูด่าวสั่งสอนอย่างเข้มข้นด้วยตาตัวเองจึงจําไม่ลืมตลอดมาเมื่อมีโอกาสจึงได้นํำมาลงไว้บ้างฉะนั้นทางเดินจงกรมเฉพาะท่านอาจารย์มั่นท่านมีแบบฉบับจริงๆดังกล่าวมาท่านอาจารย์มั่น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 ทั้งการคลองผ้าหรือไม่ครองในเวลาเดินจงกรมทั้งขณะยืนลำพึงที่หัวจงกรมเวลาจะทำความผิดในท่าเดินจงกรมท่านอาจารย์มั่นกำหนดดูตามอริยะประเพณีทราบโดยละเอียดและได้ปฏิบัติตามที่กำหนดทราบแล้วเรื่อยมาคือการเดินจงกรมท่านสอนให้เดินไปตามตะวันหรือเยื้องตะวันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ท่านว่าการเดินตามตะวันเป็นที่หนึ่ง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 ความเพียรท่าเดินในครั้งพิจารณาเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสีหะสายาภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยอิริยาบถนอนหรือสีห์สายาการทําความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปันมือก็เพื่อชําระ ก, กิเลส ต, ตัวเดียวกัน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 จึงจะงงงเยื่อขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปงีด ห, หนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความโงกห่วงทําผิดจึงทําให้เสียความจริงคือกิเลสทําผิดต้นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเขาอีกแต่ไม่เค็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเชี่นคนนี่แหละนักภาวนาเคยถูกมันดับมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวนลายไม่ทันมัน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 มันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหลจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ไง่ายๆแม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสนาติตัวนั่นแหลท่านเคยถูกมาแล้วจึงได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มขวัดขาวาวหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตา แล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สินเนื้อประดาโทัไปกล่าวแบบไม่มีปีนี่คุยขับกล่อมให้อนาสัญญาณว่ากิเลสเม่ากาะโกยเอาของดีไปใช้ไปทางเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกขัดใหม่กรุณากําหนดเวลาในการดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากําหนดเถื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่พันรวงมาแอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคําภาวนาติดตัวไว้บ้าง ขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับการทบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อทำที่บริกรรมเช่นกำหนดพุตโทให้จิตรู้อยู่กับพุโทโธทุ ก, กระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่านนั้นเมื่อขาดวักขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบันเป็นเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอทัวไปสูอา ร, รมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อน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 คอยเปิดมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลดสลายไปสามผลทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจากสูปป่ไปก็มีต่างๆกันแต่ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพระาะความเพียรอันแรงกล้ า, น, านั้นท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้พระการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสมวนกัน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 ยังไม่ควรยอมให้กิเลสตัณหาอวิชามาหลอกเล่นให้เห็นเป็นงานล่อ ล, อลวงร่มโจมปนปี้ไม่มีชิ้นดีความจริงก็คือตัวกิเลสเองนั่นแหลเป็นผู้ทําคนและศาสให้จีพายปนพี้เรื่อยมาถล่มกบอุบายมันจนไม่สนุสตับ้างการกันกรองจิต ด, ด้วยสมาธิภาวนาก็คือการกันกรองตัวเราออกเป็นสับเป็นส่วนเพื่อทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนจะพาให้เกิดทุกข์อันไหนจะพาให้เกิดสุขอันไหนจะพาไปนรกอันไหนจะพาไปสวรรค์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 ผู้ต้องเผชิญกับความจําเป็นอยู่เฉพาะหน้าจะพึงสแสวงหาทางหลบหลีกตีกตัวเต็มสติกําลังความสามารถของแต่ละรายเพื่อแคล้วคลาไปได้เป็นพักๆมิใช่จะนั่งนอนคอยสิ่งหน้าตัวทั้งหลายอยู่โดยไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลยเราวกระหมูคอยขึ้นเขียงด้วยความเพลิดเพลินในแก่ปรําเพราะเห็นแก่ป่าแก่ท้องเพียงเท่านั้นเพราะชาบมนุษย์กับชาสับตัวไม่รู้จักคิดอ่านไตรตรองอะไรเลยนั้น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 ย่อมเป็นเช่นเดียวกันทั้งโลกแต่สิ่งที่ทำใหจิตผิดกันไปต่างๆจนคาดไม่ออกบอกไม่ถูกมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้ในสังคมสามาัญของคนมีกิเลนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายซึ่งมีมากและต่างๆกันจนภาวนาไม่จบเข้าเกี่ยวข้องผัวพันจิตที่ถูกสิ่งเหล่านั้นปกคลุมคละค้าวจนเป็นอันเดียวกันจึงเป็นจิตที่ผิดกันมากจนไม่อาจทราบได้ว่าจิตนั้นมีความหนาบางจากสิ่งทั้งกล่าวมากร้อยเพียงไรและพิสูจน์ไม่ได้ว่า จิตของผู้นั้นเดินมาจากภพชาติอะไรบ้างมีอะไรปกคลุมหุ้มหอมากที่สุดบรรดาที่มีนาวากิเลสหรือของเศษเดนแห่งข่านผู้พิเศษทั้งหลายท่านผู้ใดพยายามชมาําระแค่หาสิ่งดังกล่าวออกได้มากน้อยเพียงไรงจ่อมได้รับความสุขมากน้อยตามเหตุที่ชาําระได้เถี่นขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นผู้สิ้ทนทุกทางใจในทถ้ำกลางแห่งขันที่กําลังครองอยู่ดังพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ท่านที่ตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้ว ย่อมทรงเสวยและเสวยวิมุติสุขในขณะนั้นโดยไม่อ้างการสถานที่เลยขอแต่กิเลสที่เป็นตัวฆ่าสึกแก่จิตใจได้สิ้นสูญไปก็พอแล้วฉะนั้นจึงมีเพียงกิเลสอย่างเดียวกั้นกลางมรรคผลิพานมาให้จิตบรรลุถึงได้นอกนั้นไม่มีอะไรหรือผู้ใดมีอำนาจกัน้นกลางได้การสอนธรรมจึงสอนลงที่จิตซึ่งเป็นที่ทรงสมของกิเลสทั้งมวลด้วยธรรมปฏิบัติคือเซนสมาธิปัญญา อันเป็นหลักใหญ่ในบนรรดารมแก้ไขบุกเบิกการเดินจงกรมจรึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทํากิเลสให้หลุดลอยออกจากใจได้เช่นวิธีทั้งหลายมีการนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นจึงควรสนใจฝึกหัดทำแต่บัรมีเป็นต้นไปเช่นเดียวกับงานทางโลกอันเป็นงานอาชีพและงานเพื่อเกียรติแห่งสังคมมนุษย์ที่นิยมกันส่วนงานคือการทําความดีมีการเดินจงกรมเป็นต้นดังกล่าวมาเป็นงานขยุงตนทั้งภายในและภายนอก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 โดยไม่คิดค่าตอบแทนในทางอา m ิ t h และสินจ้างรางวัลใดๆชื่อว่าผู้สร้างความกระหยิบกลิ่นด้วยความเมตตาวิหารธรรมและจงรักภักตีแก่ประชาชนได้รับไม่มีวนันจืดจางอิ่มพอหลาประเนเขาย่อมร่รุกบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่โลกนอกจากสร้างบุญสร้างคุณแก่ผู้อื่นให้เต็มต้นเพราะความบิติยินดีโดยทั่วกันถ่ายเดียวเท่านั้นาศาสนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมและอามิ t h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 จึงขอเริ่มอธิบายวิธีนั่งสมาธิภาวนาต่อไปพอเป็นหลักฐานของผู้เริ่มฝึกหัดเพื่องานทุกแขนงทุกชนิดก็มีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินงานสมาธิภาวนาก็จําต้องมีแบบฉบับเป็นหลักเกณฑ์วิธีนั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไว้ว่าพึงนั่งขัดสมาธิคือนั่งขัดสมาธิตามแบบพระพุทธรูปองค์แทนศาวสดาเอาขากวาทับขาซ้ายมือกวาทับมือซ้ายวางมือทั้งสองไว้บนตัก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 ทั้งดีและชั่วที่นอกจากงานบริกา ร, รมภาวนาซึ่งกําลังทําอยู่ในเวลานั้นวิธีตั้งสติเฉพาะหน้าจิตเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติเท่านั้นไม่มีความแยกยใครใกล้ครัวในตัวเองเป็นเพียงรู้คิดรู้นึกรู้เย็นรู้ร้อนจากสิ่งสัมผัส ต, ต่างๆเท่านั้นไม่มีความแยกคยใครใกล้ครววไม่รู้การพิิพิจารณาและแตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดลงไปได้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 การมีสติรักษาจิตยอยู่ทุกระยะนั้นสติสัมปชัญญจะจึงพึงเป็นสมบัติที่ควรได้รับในวาระนั้นหรือวาระต่อไปแน่นอนการภาวนาด้วยบริกรรมกับทำบทใดบทหนึ่งนั้นพึงให้เป็นไปตามจริตให้ควรฝืนทำบทใดเป็นที่สบายใจในเวลานั้นพึงนำทำบทนั้นมาบริกรรมภาวนาสืบต่อไปดังที่เคยอธิบายมาแล้ววิธีนึกคาบริกรรมภาวนาการนึกคาบริกรรมภาวนานั้น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 จากนั้นค่อยบริกรรบทที่ตนต้องการต่อไปเช่นอานาปนสติหรืออาทิหรือต่โจเป็นต้น